บทภาชนีนิสกิยาปาจิตตีห้าร้อรูปิยะภิกษุสำคัญว่าเป็นรูปิยะแลกเปลี่ยนรูปิยะต้องอบัตตินิสกิยาปาจิตตีรูปิยะภิกษุไม่แน่ใจแลกเปลี่ยนรูปิยะต้องอบัตตินิสกิยะปาจิตตีรูปิยะภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่รูปิยะแลกเปลี่ยนรูปิยะต้องอบัตตินิสกิยาปาจิตตีสิ่งที่ไม่ใช่รูปิยะภิกษุสำคัญว่าเป็นรูปิยะ แลกเปลี่ยนรูปียะต้องอบัตินิสักียปาจิตตีสิ่งที่ไม่ใช่รูปียะภิกษุไม่แน่ใจแลกเปลี่ยนรูปียะต้องอบัตินิสักียปาจิตตีสิ่งที่ไม่ใช่รูปียะภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่รูปียะแลกเปลี่ยนรูปียะต้องอบัตินิสักียปาจิตตีทุกทุกกฏสิ่งที่ไม่ใช่รูปียะภิกษุสําคัญว่าเป็นรูปียะต้องอบัติทุกกฏ สิ่งที่ไม่ใช่รูปิยะภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎสิ่งที่ไม่ใช่รูปิยะภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่รูปิยะไม่ต้องอาบัติ